บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของมานที่แปลว่ากุลางพรานความดีและทำให้เสียคนต่อดถึงเป็นอุปสรรคขัดขวางในด้านต่างๆนั้นพระผู้มีพระเจ้าได้ชื่อว่า เป็นผู้พิชิตมารหรือผู้ชนะมารทำให้เราสร้างพระพุทธรูปส่วนใหญ่จะเป็นปางมารวิชัยหรือปางชนะมารเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลจากการปฏิบัติจนในสัจสรูของพระพุทธเจ้าไปะะทาให้บุคคลหลุดรอดจากอานาจของมาร ซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆที่ท่านจำแนกโดยสรุปมันก็มีอยู่ห้ากลุ่มใหญ่ๆด้วยกันแต่เพึงสังเกตว่าทั้งห้ากลุ่มนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับกิเลสทั้งหมดเป็นตัวกิเลสบ้างเป็นผลของกิเลสบ้างเป็นอาการของกิเลสบ้าง<ม>เช่นมารข้อแรกที่เรียกว่ากิเลสมาร ก็เป็นกิเลสโดยตรงที่เพียงแต่เกิดขึ้นภายในใจภายในใจิตใจของบุคคลเท่านั้นเกี่ยวสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต่ำลงไปแห่งจิตกิเลสมีกำลังแรงเท่าไรจิตใจจะตกต่ำลงไปโดยลาดับเพราะการกระทำของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ที่มีความรุนแรงยิ่ยงบังหยอดบัง ถ้าลองสังเกตดูแล้วก็จะเป็นอาการของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสามารถตรวจสอบในเชิงพฤติกรรมของตนเองเพราะมีบางครั้งที่เราทำอะไรแรงไปบางครั้งแรงน้อยลงมาบางครั้งก็หยุดตัวเองไว้ได้จะสมมติว่าเกิดโกรธบางทีก็อาจจะลงมือลงไม้ไป บางทีก็ทําเพียงแค่ด่าบางทีก็อาจจะเงื้อมือขึ้นหรือว่ามองด้วยสายตาแสดงความมาคาดมานร้ายแต่ก็ไม่ถึงกระพูดกระทําลงไปอาการทั้งสามอย่างนี้เป็นสังเกตว่ามันเกิดขึ้นกจากปริมาณความรุนแรงของความโกรธที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆปัญหาสํำคัญมาเกิดมากหรือเกิดน้อย และในกรณีที่เกิดมากหรือเกิดน้อยนั้นวาสติสัมปชัญญะพอเรามีกําลังมากหรือกําลังน้อยแต่ว่าเกิดขึ้นมากแต่ว่าสติสัมปชัญญะเราเกิดทันและเกิดมากพอมันก็หยุดอยู่ตัวเองไว้ได้คือควบคุมการกระทําไว้ได้อย่างน้อยที่สุดมันก็อยู่เฉพาะภายในใจคือไม่ถึงก็ออกมาทางกายกัทางวิชจจาแม้ในเรื่องอื่นมันก็เป็นอย่างกัน กรนีเพึงสังเกตการปฏิบัติธรรมะในระดับศีลก็ดีในระดับธรรมะก็ดีที่จริงแล้วท่านกาหนดตามอาการของกิเลสเช่นตัวอย่างการถือวาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการแหงกขโมยซึ่งเป็นการละเมิดศีลข้อที่สองสำหรับสาธุชนทั่วไปนั้นถือว่าอย่าไปลักไปขโมยเขาก็พอแล้ว แต่บางครั้งบางคราวนั้นไม่ถึงกับไปรักขโมยเขาแต่ทำของเหล่านั้นให้แตกหักเสื่อมราคาลงไปถือว่าเป็นการประทุษรัายต่อทรัพย์และการกระทาที่เป็นเหตุประทุษรายต่อทรัพย์ก็หมายความว่าในขณะนั้นจิตใจจะต้องประกอบด้วยความโลภหรือความโกรธหรือความหลงก็ได้แต่พอทรงบัญญัติเรื่องนี้ไว้แก่พระสง์ แต่ที่จะพูดระดับธรรมะมันก็พูดเป็นระดับของศีลจะตัวอย่างที่ว่ามาแล้วสมมติว่าพราะไปเห็นทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเกิดความโลภอยากได้มองด้วยความอยากได้แสดงว่าจิตใจในขณะนั้นถูกเผาลนด้วยความโลภสูญเสียความปกติสูญเสียความสงบไปแล้วจะเป็นมโนทุจริต แต่ไม่ถึงกับเป็นอบัตแต่จะมองมากๆโดยความอยากคือมองแล้วมองอีกโดยความอยากได้มันก็จัดเป็นการละเมิดระดับศีลอย่างอ่อนต่อไปถึงจะต้องสิ่งเหล่านั้นโดยความอยากได้มาเป็นของของตนท่านก็ปรับอบัตอีกทีนึงถ้าความอยากได้รุนแรงจนถึงการทาของนั้นให้ขยื่อน เขยื่ไม่มากนักท่นก็ปรับประบัติที่แรงขึ้นใหม่แต่ทาให้ของนั้นขเขยื่อนออกไปจากจุดที่เขาวางจุดเดิมแล้วปรับขาดจากพระไปได้ซึ่งทั้งหมดที่จริงแล้วเป็นการแสดงอาการของกิเลสทั้งนั้นเพียงแต่ว่ากิเลสหยาบการกระทําก็หยาบกิเลสกลางการกระทำก็กลางกลางกิเลสอ่อนการกระทําก็อ่อนในเรื่องของ ขันธมานมานคือเป็นเจขันธ์ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันแต่ตัวขันนั้นที่จริงไม่ได้มีเฉพาะเราแต่ละชีวิตแต่แต่ละสิ่งมันก็เป็นเรื่องของขันทั้งนั้นมันจะเป็นกลุ่มของรูปกลุ่มของเสียงกลุ่มของกลิ่นกลุ่มของรสกลุ่มของสัมผัสก็ตามก็ด้วยแล้วจะเป็นขันทั้งนั้นบางขันจึงมีทั้งวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเช่นคนสัตว์มัก็เป็นขันที่มีวิญญาณครอง วัตถุสิ่งของต่างๆมันก็เป็นรูปขันแต่ในขณะเดียวกันถ้ารับประทานได้มันก็เป็นขันในส่วนที่เราลิ้มชิมได้แต่สรปุปก็อยู่ในกลุ่มของรูปจุดสำคัญที่สร้างความวิตกกังวลสร้างปัญหาหแก่บุคคลมันไปนอยู่ในช่วงที่จิตไปยึด ถ้าจิตไปยึดแล้วขันมันก็สับแต่ว่าขันได้เช่นสมมติว่าคนตายหรือคนพรกรากสูญเสียอะไรก็ตามมันมีจุดเชื่อมระหว่างเรากับสิ่งนั้นหรือไม่แลแ้ถ้าเชื่อมมันก็เชื่อมอยังไงด้วยเช่จนจุดเชื่อมมาญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราเพื่อนูงของเราทรัพย์สมบัติของเราเป็นต้น สิ่งเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าเราก็ดีใจสิ่งเหล่านั้นแปรผันไปเราก็เสียใจแต่ว่าอาการคือความเจริญก้าวหน้าและอาการที่แปรผันนั่นเองปัญหาต้องการเอาไปอยู่ที่ตรงอื่นละ่ะถ้าไปอยู่ที่คนสัตว์สิ่งของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราไม่รู้จักมักคุ้นกับคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นซึ่งก็มันเป็นธรรมดาอยู่ทุกขณะ ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแก่ใจเราเลยรู้สึกเฉยๆศูนย์เวทนาที่ปรากฏมันก็เป็นอทุกขกมสุขเวทนาคือไม่ถึงก็สุขก็ทุกข์อะไรแต่ทีนี้ถ้าอาการความเจริญก้าวหน้านั่นเองหรือการพลัดพรากนั่นเองไปเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตริย์ที่เราไปกำหนดในฐานะเป็นศัตรูของเรา แทนที่จ ะ, จะเจริญชื่นชมเพราะอาศัยความจเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นมากลายเป็นความโทมนัตเสียใจความครึ่งเครียดความริษยาต่างๆนั้นกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะว่าในตอนแรกเราไปกําหนดเขาในฐานะเป็นศัตรูพอ เ, เขาเจริญก้าวหน้าตามปกติน่าจะชื่นชมยินดีแต่เพราะเป็นศัตรูเราเราก็เกิดความเบื่อหน่ขัดข้องเกิดความเครียดแั้นจริงจั ง, จ ง, จงเกิดความริษยา จะเกิดความมาคาดเพิ่มขึ้นไปตนเธอหน้าว่าคนที่เป็นศัตรูนั้นเป็นไปตามธรรมดาของเขาที่มีมีความเสือ่อมมีความแตกทําลายมีความสูญหายแล้วก็สิ้นชมดีใจความคิดเหล่านี้ทั้งหมดมีปัญหาทั้งนั้นเป็นความคิดที่ไม่ชอบไปเหตุผลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ความคิดแล้วหาเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวเองหาความไม่สบายใจมาสู่ตัวเองพวามจริงแล้วทั้งสามกลุ่มที่ยกตัวอย่างมานั้นทัวงแล้วแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาความเจริญมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆความเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขหรือปัจจัยประกอบ ต, ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้น าการมองที่จะบรรเทากิเลสคือมองอย่างรู้เท่าทันรู้เท่าทันถึงความจริงแล้วปฏิบตัติต่อสิ่งเหล่านั้นในลักษณะที่เกือ้อกูลต่อจิตตัวเองและเกือ้อกูลต่อคนอื่นอ้กิเลสมารก็มีกำลังมากกำลังน้อยตรง ดังนั้นเพืนสังเกตว่าในขณะที่เราแสดงมุติตาคือความชื่นชมยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าของเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีกิเลสกิเลสก็คงมีอยู่ภายในใจนั่นเองแต่ขณะนั้นกุศลธรรมมีกําลังมากกว่าทําให้อาการของกุศลธรรมที่เป็นมุติตาคือความปลอยชื่นชมยินดีมืนกเกิดขึ้นได้ปลอบประอมใจได้ใจก็มีความสงบเยือกเย็นอยู่ได้ในขณะนั้น ในขณะที่เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจในการพลาดพลาดสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่คนเป็นที่รัก์นั้นที่จริงธรรมะเราก็มีอยู่จริงแต่ ว, ว่าธรรมะในขณะนั้นมีไม่พอใช้ใช้ไม่ได้ปรับใจยอมรับความจริงไม่ได้โดยต้องเศร้าโศกในเรื่องที่เศร้าโศกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรขึ้นมาเรียก ว, ว่าเราหาคำตอบไม่ได้ แต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่ญาติพี่น้องเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แก่เฒ่าเจาราแล้วประสบความทุกข์ทรมานเดินเฮินไม่ค่อยสะดวกหร <m> ือว่านอนป่วยอยู่ก็ที่เป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งก็ต้องแตกกายทำลายขันไปตามธรรมดาเราก็รู้สึกดีใจกับท่านที่รู้สึกว่าท่านไปดีแล้วท่านพ้นทุกข์ไปแล้ว นั้นเพราะอะไรเพราะปัญญาเกิดรู้เท่าทันว่าคนขนาดนี้มันก็ถึงความตายมันก็ธรรมดาแล้วก็อยู่มาอายุยืนนานวรุปขวดแล้วถึงเวลาตายทั้งก็ตายจริงๆตั้งก็ถือไปดีแล้วจิตใจเราในขณะนั้นมันก็สบายได้ ท, ท, ทั้งๆที่ในขณะนั้นธรรมะกิเลสมันก็มีอยู่ เพียงแต่ว่าธรรมะคือความรู้เท่าทันทำความปจริงก็เกิดมีกําลังมากขึ้นกว่าเท่านั้นเองหรือว่าบางครั้งบางคราวที่เกิดขึ้นเก่คนซึ่งเรารู้สึกเฉยเฉรู้สึกกลางกลางอาการของธรรมะและกิเลสที่จริงมีอยู่ภายในใจเราทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าความเจริญของคนที่เราไม่รู้จักหรือความเสื่อมของคนที่เราไม่รู้จักนั้นไม่กระแทกกระทันใจ อาการกระเพื่อมทางจิตมันก็ไม่เกิดคือจะกระเพื่อมเป็นกิเลสก็ไม่เกิดกระเพื่อมเป็นธรรมะก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็จบกันเช่นสมมุติว่าคนจะนินทาว่าร้ายอะไรเราเนี่ยคืเมื่อดีคนหาเรื่องในตัวเองเดือดร้อน ไ, ไปสืบดูจะเขานินทาข่าว่ายังไงบ้างไปสืบทําไมมันก็ไกลหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา ขน้นิทาเราเขาก็เดือดร้อนใจเขาก็เป็นมโ น, โนทุจริตปากเขาก็เป็นวจีทุจริตเขก็ทํากับเขาเองนะฮะเป็นกฎกรรมาเขาเองเราไม่รับรู้ก็จบแค่นั้นเองแต่ว่ามีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่หาเรื่องไปรับรู้ไปรับสิ่งที่เดือดร้อนใกล้ๆกับไปรับขยะรับสิ่งปฏิกูลสกปรกต่างๆที่คนอื่นก็จะทิ้งเอาไว้ และในสุดตัวเองก็พล่อยแปดเปื้อนกุดมัวเศร้ามองไม่สบาใจเป็นความทุกข์ที่ไปแสหามาเองในช่วงนี้ที่จริงคติไทยเรามีอยู่เป็นอันมากเช่นควายใครเข้าครอคนนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปเรื่องใครก็เรื่องของคนนั้น ต่างคนตังอยู่อะไรแต่ร่องแต่และอย่างนั้นเพืสังเกตว่าจะมีความคิดในลักษณะแบ่งแยกแต่ไม่ใช่แบ่งแยกเพื่อทำลายแบ่งแยกในกรณีที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำอะไรได้สมมติว่าเขานินทานเนี่ยเราก็ทำช่วงเขาก็ปล่อยเขาไปเราไม่รับก็จบไป ก็อาศัยความคิดเนี่ยความคิดกำใดใครก่อคล น, นั้นก็รับไปปลายใครเขาครบอบผ น, นั้นหรือว่าต่างคนต่างอยู่สามารถที่จะเป็นหลักใจได้ได้เดยกันทั้งนั้นในความคิดในช่วงที่สามก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถึงสังเกตว่าในขณะที่เรารู้สึกไม่พอใจเสียใจจนถึงริษยา เมื่อศัตรูก็เรามีความเจริญก้าวหน้าได้ดีไปดีนั้นที่จริงธรรมะมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าธรรมะไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดอารมณ์ริษยาหรือว่าความโทรมนัดเสียใจในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นไปได้แต่เราก็พบบางขณะเหมือนกัน บาังขณะคนที่เป็นศัตรูของเรานั่นเองแต่ก็มีความเจริญก้าวหน้าในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้สึกริษยาไม่รู้สึกเดือด ร, ร้อนใจอะไรก็โดยอาศัยความคิดดังกล่าวแล้วกรรมใดใครก่อนคนนั้นก็รับกรรมไปทำดกีก็รับผลดีไปในองค์ธรรมข้อนี้แหละที่ท่่นเรียกว่าอุเบกขาคือการใช้ปัญญาเพ่งพินิษ์พิจารณาและวินิจฉัยไปตามความเป็นจริง ตัวไม่ใส่ใจว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่ว่าใส่ใจว่าเขาทาอย่างไรแล้วบอกผลมาเป็นอย่างไรเราทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นคนรายงานรายงานลักษณะทางอากาศอุณหภูมิเท่านั้นเท่า น, นี้ฝนตกเท่านั้นเท่า น, นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าการสร้างขึ้นของบุคคลก็ตามแต่สรุปว่าเราก็มีหน้าที่รายงาน ร, รับรู้แล้วก็รายงานไป ส่วนใครจะเป็นคนทำหรือว่าเป็นคนไม่ทำนั้นแยกออกไปได้เพราะแนวของอุเบกขานั้นเองที่เป็นแนวป้องกันอคติแต่แนวที่ป้องกันอคตินั้นเองคือแนวที่เรียกว่ายุติธรรมเพราะเรื่องของศาลที่มีการเรียกโจทเรียกจำเลยเรียกพยานคือไม่เรียกตัวบุคคล ไม่เรียกนายกรนายขอนามสกุลนั้นานามสกุลนี้เพราะว่าพอเป็นคนแล้วมันจะมีนามสกุลพราะมีนามสกุลเนจะมีการเชื่อมต่อตัวเองกับผู้พักตัวเองกับโจกกับจำเลยเหล่านั้นแต่มันจะเอียงได้ง่ายเพรา ะ, ะนั้นจึงใช้คำที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เอาใจไปเกาะว่านั้น น, น, นามสกุลนั้นก็นึกถึงลูกหลานคนนั้นมาเกี่ยวข้องปรเดี๋ยวก็เชื่อมโยงกันเพื่อตัดการเกี่ยวเกาะของจิตถ้าก็ใช้คำดิมัน ไม่ให้เกิดการเชื่อมโยงคือทุกคนก็ถูกเรียกว่าโจทน์เรียกว่าจำเนรเรียกว่าปรยัดนี่เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือความเทิงธรรมความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมมันเกิดขึ้นจากการมองด้วยอุเบกขาเป็ลักษณะคล้ายๆกับรายงานอุณหภูมิรายงานลักษณะภูมิอากาศรายงานอาการของโรคตามที่ปรากฏในขณะนั้นคนป่วยจะเป็นใครไม่สาคัญสําคัญเขาป่วยยังไงแล้วก็บอกไปเท่านั้น ปัญญาอุเบกขานั้นเป็นอาการของปัญญามันเกิดขึ้นพิจารณาวินิจฉัยตัดสินได้ทําให้รักษาจิตใจของตัวเองไว้ได้แต่นั้นพวกกิเลสมานั้นจึงเป็นตัวกิเลสพวกขันธมานจึงเป็นอาการของกิเลสที่ปรากฏเกิดจิตดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปในเรื่องของทุกขสัจ จะมีการสวสดสายายกันเป็นปกติที่ทรงใช้กับว่ากล่าวโดยสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายคือจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่สามีพัญญาหรือว่าลูกหลานเนี่ยถ้าเราไปยึดมากมันก็เป็นทุกข์ กลับมาบ้านช้าหน่อยก็เป็นทุกข์หรือโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์อะไรอะไรมันเป็นทุกข์หาเรื่องเป็นทุกข์ไปหมดเพราะอะไรเราไปเพ่งเล็งไปกำหนดกฎเกณฑ์คือกะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นพอไม่เป็นไปตามที่เราคิดว่าควรจะเป็นาำทุกข์ันเกิดขึ้นในขณะนั้น แต่ข้อที่คนไม่มองอีกจุดหนึ่งว่าการที่ไปบังคับคนนั้นคนนี้คนโน้นให้เป็นอย่างนั้นแย่างนี้มันเป็นความอ่อนแอทางจิตมันไม่ใช่ความเข้มแข็งทางจิตคือจิตที่ไปชอบบังคับคนอื่นแสดงว่าบังคับตัวเองไม่ได้หรือบังคับจิตตัวเองให้ไม่ไปบังคับคนอื่นไม่ได้คนที่ชอบสั่งชอบส่งเสียงดังชอบบวยวายอะไ ร, ต, ะไรต่างๆ เป็นพวกที่คุ้มครองจิตใจตัวเองไม่ได้ก็ดูแลวทํานองใล้ๆกับคนที่เดินไปในที่เปลี่ยวคนเดียวกลางค่งกลางคืนก็เกิดกลัวผีแล้วก็ส่งเสียงดังบ้างร้องเพลงบ้างอะไรตลไยก็ปลอบใจตัวเองไปแต่ถ้าคนที่มีปัญญาประจักษ์ในขณะนั้น ก็จะมีการวินิจฉัยตัดสินไปลูกเราโตแล้วสามีโตแล้วบัญญาโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รับผิดชอบได้ก็อาจจะติดธุระอะไรเราก็มีนาทีอะไรก็ทําไปคือใจไม่ไปควายเข้ามาเข้ามาเมื่อไร่ก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราสามารถทํางานของเราในขณะที่อยู่ที่บ้านได้ให้เราสังเกตว่าผลดีนั้นจะต่างกันมากสมมุติว่า ไปคาดหวังว่าลูกจะต้องกลับเวลานั้นไปแบนี้แล้วพอลูกไม่กลับเกิดกระสรับกระส่ายงานการที่ควรจะทำในขณะนั้นตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้วลูกอาจจะทำงานอยู่ก็ได้กระสรับกระส่ายไปก็เท่านั้นเองเขามาถึงเมื่อไรเขาก็มาถึงเมื่อนั้นแต่ใจที่ไปกระสรับกระส่ายไปกะเกณไปบังคับไปคิดว่าจะมาถึงตรงนั้นตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้มันคนละเงื่อนไขคนละปัจจัยกัน มันก็มาถึงเมื่อไหร่ก็คือเขามาถึงปัญหาที่จะต้องหาคำตอบก็คือว่าเรานั้นอยู่ตรงไหนในขณะ น, นี้แล้วก็มีภาระหน้าที่อะไรก็ทำไปลักษณะความคิดเหล่านีุ้ณสังเกตว่ามันก็คล้ายๆกับเรานัดหมายกับใครไว้อย่างไรในเวลาใดเวลาหนึ่งบางคนจะเงินแล้วจะเงินอีกมองแล้วมองอีกเมื่อไหร่จะมาสักที ดูในกาแล้วดูในกาอีกบางทีนาทีหนึ่งก็ดูทั้งสองคนที่จริงแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาก็คงมาในเวลาเร็วเท่าเดิมคือไม่ได้ไปกระตุ้นพอเรานึกถึงว่าเมื่อไหร่เขาจะมาแล้วเขามาพูดประทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เรื่องของข่าวแต่ว่าถ้ากเราไม่กระสับกระส่ายเวลามันก็คงเท่าเดิมแต่ว่าใจเราจะไม่รู้สึกมันห น, นัก การที่รู้สึกว่านานนั้นก็คือใจที่ไปลขอ่คว้าใจที่ไปรอคอยใจที่ไปเร่งรัดแล้วมันฝืนกฎธรรมชาติทั้งหมดเพราะเวลาเขาก็ไปตามกระแสะของเขานาทีหนึ่งก็เท่านั้นแหละวินาทีก็เท่านั้นชั่วโมงก็เท่านั้นไม่ได้กดสั้นเข้าหรือไม่ได้ขยายออกแต่ว่าใจคนจะไปรู้สึกอยอก่างนั้นเอง อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าราจีของบุคคลที่มีการรอคอยนะหมายความว่าคืนใดก็ตามที่จิตใจกระสรับกระส่ายคิดโน้นคิด น, น, ด น, น, ดนี้คิดนั้นแล้วมันรู้สึกว่าสว่างช้าอะไร้ยกระทั่งนั่นที่เวล า, าก็เท่าเดิมปัญหาในด้านจิตใจจึงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาหลักที่จริงก็เป็นปัญหาเรื่องเดียวนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าธรรมานั้นรวมลงที่จิตดวงเดียวอาธรรมก็รวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอมาถึงจุดนี้ท่านสาธุชนจะมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าธรรมะปฏิบัติในทางพุทธศาสนาทั้งหมดที่จริงไม่ใช่พระพุทธศาสนาคือว่าโลกทั้งหมดสากลจักรวาลทั้งหมดหรือจะอะไรก็ไดนะ้มันไม่เกินไปจากกฎของอริยสัจทั้งสี่ประการ พวกปรากฏการธรรมชาติ entitled, ทั้งหมดที่เราเห็นด้วยตาไ yes, ด้ยินด้วยหูสูดดมโดยจมูกลิมโยลิ้นถูกต้องโดยกายมันก็คือสิ่งที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศซึ่งก็มีอยู่ในระบบส deposits, elsius, ุยญาตจักรวาลแสนโกรจักรวัคือจะกี่แสนโกรจักรวานก็ตามมันก็มีเท่านั้นเองคือดินน้ำลมไฟอากาศเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรคือกลุ่มของปุกขสัจอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องอาการของกิเลสทั้งหลายที่กลายเป็นความขุดมัวเศร้าหมองความรุนแรงการประทุสรายการเบียดเบียนประทุษร้ายอะไรต่างๆกันที่มันเกิดขึ้นในโลก มันมาสรุปรวมอยู่ตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันก็รวมอยู่ในทุกขสัจสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายอะไรแต่ไหนมันก็รวมอยู่ที่ทุกขสัจที่ความทุกข์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เกิดขึ้นมันก็อยู่ที่กิเลสเรามีมากหรือไม่ในขณะนั้นๆ ถ้ากิเลสเราเกิดขึ้นมากในขณะนั้ น, น, นความทุกข์มันก็ปรากฏเกิจิตมากแต่ถ้ากิเลสมันลดลงไปเราก็สามารถจะบรรเทาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นในขณะเดียวกันพวกกลุ่มของผลดีทั้งหลายนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเราจะไปเร่งรัดให้มันเกิดไม่ได้แต่่อเราสร้างเหตุปัจจัยมันเกิดมันก็เกิดได้ ปัญหาสำคัญว่าเรารู้จักขั้นตอนของสิ่งเดียวนั้นหรือไม่ถ้าเราเข้าใจขั้นตอนแล้วก็รับผิดชอบเฉพาะขั้นตอนของเราเองเหมือนการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งหน้าที่ขอเราก็ปลูกแล้วก็รับผิดชอบในการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกําจัดว่าจะพืช อ, อะไรก็ว่ากันไปในเท่าที่เราทําได้แต่ในส่วนการจะออกดอกเมื่อไร่ออกผลเมื่อไหร่แล้วก็สุกเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของพืชเหล่านั้น แมปัจจุบันเราจะมีกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่เร่งรัดการให้ผลเร่งรัดการสุกเป็นต้นแต่ก็จริงมันก็เร่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้อย่างต้องใช้ช่วงใช้เวลาใช้ขณะหนึ่งเพื่อสร้างเหตุปัจจัยให้มันเป็นไปตามจริงเหล่านั้นเพิ่งกระบวนการเหล่านี้ถ้ามีปัญญารู้เท่าทัน ตามสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นและพยายามที่จะปรับจิตตัวเองยอมรับถึงสิ่งทั้งหลายที่เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยซึ่งหลักเหล่านี้ที่จริงแม้ในกฎของกรรมนั้นท่านสาธาชนลองสังเกตว่าที่จริงก็คือกฎของเหตุปัจจัยหรือการปฏิบัติธรรมที่เป็นหน้าที่ ถ้าปฏิบัติจะให้เดือดร้อนก็คือปฏิบัติในส่วนของเราส่วนก็บุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบเจตน้าที่ของพ่อแม่มีหน้าที่อะไรบ้างให้การปลูกปรือบรมลูกให้การศึกษาแ ก, ลก่ลูกตกแต่งให้มีครอบมีครัวครอบสัตว์บัติให้ส่วนลูกจะกระตันยูหรือไม่กระตัญยูจะเลี้ยงดูหรือไม่เลี้ยงดูนั้นเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราจะไปข่อยคว้าเราก็เดือดร้อนถือว่าหน้าที่ของเรานั้นได้ทำถูกต้องสมบูรณ์แล้วเพราะนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานก็รับสั่งว่ากิตใดที่าศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อพวกเธอซึ่งเป็นสาวกทั้งหลายแต่้าโคดได้ทำแล้ว แต่ว่าจริงแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นก็ไม่ได้หมายความมาเป็นพระญาติบุคคลกันทั้งหมดบางคนอาการสาหัสมากกว่าคนในยุคนี้เลยทําไปเช็นมรเทวทัตเป็นต้นแต่วิกิที่พระาศาสดาจะต้องทําในฐานะศาสดาต่อพระเทวทัตพระเจ้าท่านทำของท่านสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเทวทัตท่านรับไม่ได้ในบาเรื่องของท่านแล้วก็เป็นไปตามกรรมของท่านเอง เพือนตัวอย่างบุคคลเรื่องราวเหล่านี้ที่มีการศึกษามีการสั่งสอนที่จริงแล้วเราก็สัมผัสกันอยู่ในแต่ละวันเป็นการเชีย่ยวเห็นถึงสภาพจิตของบุคคลที่ถูกปรุงด้วยกิเลสบ้างถูกปรุงด้วยกุศลด้วยด้วยกุศลธรรมบ้างและอาการของกิเลสนั้นจะมีหยาบกลางละเอียดอาการก็ธรรมะก็มีหยาบกลางละเอียด แต่เพียงได้ต่างกันว่าอาการของธรรมะยิ่งมากยิ่งดีอาการกิเลสยิ่งมากยิ่งร้ายอาการของธรรมะยิ่งน้อยยิ่งไม่ดีอาการกิเลสยิ่งน้อยยิ่งดีมันก็สวนทางกันเพราะในส่วนของธรรมะพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้เพิ่มขึ้นมากเท่าไรไม่ว่ากันแต่การกิเลสนั้นสอนให้ลดลดได้มากเท่าไร ย, ยิงดี เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกิเลสเคระจางไปได้ลดลงไปแน่นอนเราก็คงมีกิเลสแต่ปริมาณของธรรมะจะควบคุมกิเลสไว้ได้อย่าน้อยระดับหยาบกับระดับกลางตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึบต่อไป